มีมีเรื่องเล่าว่าชายตาบอดคนหนึ่งเขาไปเยี่ยมเพื่อนก็คุยกันจนค่ำพอได้เวลาเขาก็ขอตัวเพื่อ น, นะจะกลับบ้านเพื่อนก็ยื่นโคมให้ เป็นโคมที่จุดด้วยเทียน น, นะนะอนนี้เป็นเรื่องราวในสมัยก่อนนะประเทศจีนคนจีนเขาก็มีโคมกระดาษถือไปจุดเทียนเวลากลางคืนเพื่อนก็ยื่นโคมนั้นให้กัดชายตามบอด <c oughs> ชายก็บอกว่า <c oughs> ก็ปฏิเสธเอาไปทำไมนะ <c oughs> เพราะว่ากลางค่ำกลางคืนนี่เขา ไม่จำเป็นต้องใช้โคมอยู่แล้วเพราะตาบอ ด, นะบอดเพื่อนก็บอกว่าถึงคุณตาบอดก็จริงแต่ว่าคนหนึ่งเขาก็ตาดีนะนะถ้าถือโคมในยามค่ำคืนก็จะช่วยให้คนอื่นนี่เข า, าคนที่ตาดีเขาไม่เดินชนคุณชายตาบอดนั้นก็เลยรับไปเดินไ ป, ไปพักใหญ่นะ ไปที่บ้านนะแต่กลางทางนี่ก็ปรากว่ามีคนมาเดินชนจนล้มเลยนะชนคนตาบอดจนล้มเลยแล้วก็โกรธเขบอกว่าตาทั่วหรือไงไม่เห็นหรือไงว่าฉันไม่เห็นโคมไฟของฉันหรือไงคนที่มาเดินชนก็ขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่า โคมที่คุณถือมานี่มันไม่เห็นจุดไฟเลยไม่เห็นมีจุดเทียนเลยสงสัยมันจะดับไปนานแล้วละ่ะเรื่องก็จบเท่านี้นะอันนี้เป็นนิทานสั้นๆแต่ว่าสอนใจได้ดีทีเดียวมันอาจจะไม่เหมือนกับนิทานอีสพที่สรุปรวงหน้าว่านิทานหรือนิสอนอะไรแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดูมัน ให้ง่ยคิดเยอะเลยคือถ้าจะสรุปนะปก็คือว่ า, วาเขานิทานเรื่องนี้เขาต้องการสอนให้เรามองว่าเวลาจะทำอะไรนี่ก็อย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของตนอย่างเดียวนะให้นึกถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยอย่างชายตาบอด น, นี่เขาก็ไม่จะเป็นต้องใช้โคมนะแต่ว่าโคมนี่มันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่น อย่างน้อยก็ทำให้เขาเห็นทางแล้วก็ทาให้พอเห็นทางแล้วก็มันก็มีประโยชน์กลับมาที่ตัวเองก็คือว่าคนก็จะได้ไม่เดินชนชายตาบอดนะบางอย่างนี่เราก็บางอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับเราเพราะเรามีแล้วนะแต่ว่าการที่เราทำมันก็เป็นประโยชน์คนอื่นได้ด้วย อย่างคนบางคนเขาอาจจะอยู่กับความอื้อกระทึกคลึกโครมได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปสร้างความอื้อกระทึกให้กับใครเพราะว่าคนหนึ่งเขาอาจจะต้องการความสงบเราก็ต้องเอื้อเฟือเขาอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคุณธรรมพื้นฐานเลยในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือว่าอย่านึกถึงแต่ ตัวเองอย่างเดียวนึกถึงคนอื่นด้วยให้รู้จักมองหรือเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเวลามีปัญหาเราก็อย่ามองไปที่ข้างนอกอย่างเดียวให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยอย่างชายตาบอดเนี่ยพอมีคนมาเดินชนแล้วก็โทษคนอื่นเลยนะว่าตาทัวหรือไงไม่เห็นหรือว่าฉันจุดโคมอยู่แต่เขาลืมไม่ได้ มาดูตัวเองว่าจริงๆแล้วโค ม, มันดับต้องนานแล้วแต่เขาไม่มีทางจะเห็นได้เพราะว่าเขาเป็นคนตาบอดไม่มีทางที่จะรู้ว่าโคของตัวเองนี้มันดับไปนานแล้วคนที่ไม่คนที่มองไปข้างนอกอย่างเดียวแต่ว่าไม่หันกลับมาดูตัวเองอันนี้ก็ไม่ต่างจากคนตาบอดนะ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดงานการผิดพลาดขึ้นมาคนส่วนใหญ่ก็จะมองหรือโทษไปที่ข้างนอกว่าเป็นต้นเหตุแต่ว่าลืมกลับมามองที่ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนหรือเปล่านะที่ทำให้งานการผิดพลาดอันนี้นี่ก็เรียกว่าไม่ใต่คนตาบอดนะเพราะว่าคนตาดีนี่เขาจะเห็นทั้งข้างนอก คือเห็นทั้ง เ, เห็นคนอื่นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็เห็นตัวเองด้วยอันนี้คือคนตาดีแต่ว่าตาดีในที่นี้นี่มันมีความหมายลึกไปกว่านั้นคนตาดีจำนวนไม่น้อยนะก็ในแง่หนึ่งก็ตาบอดก็คือว่าเห็นแต่ข้างนอกแต่ว่าไม่เห็นข้างใน คือไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองไอ้ที่เห็นตัวเองนี่ก็เห็นแต่ร่างกายนะเห็นมือเห็นไม้ของตัวเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นลึกลงไปว่าเวลามีความผิดพลาดเนี่ยตัวเองเนี่ยมีส่วนอย่างไรบ้างหรือไม่เห็นลึกไปกนนะคือไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะเวลาโกรธใครนี่ก็พุ่ง อารมณ์ใส่คนอื่นเต็มที่ระบายความโกรธใส่คนอื่นเต็มที่แต่ว่าไม่เห็นไ ม, ไม่รู้ไม่ทันอารมณ์ความโกรธที่เกิดขึ้นในใจนั้นนะถ้าคนที่ระบายความโกรธใส่คนอื่นโดยที่ไม่เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจตัวเองนี่ก็ไม่ต่างจากคนตาบอดเหมือนกันนะจะเรียกคนตาบอดก็ได้ แต่ว่าที่บอดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ตาเนื้อนแต่คือตาในตาในเนี่ยคนเราก็มีกันทั้งนั้นนะตาในก็คือตาที่ทำให้เราเห็นอาการความรู้สึกนึกคิดภายในคนส่วนใหญ่นี่เห็นแต่ภายนอกนะเวลามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นก็เห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นแต่ว่าไม่ได้เห็นความผิดพลาด ข, ของตัวเอง เพนั้นเนี่ยพอมีความโกรธนะก็ระบายความโกรธใส่คนอื่นเข้าไปเต็มที่เลยแต่ว่าไม่ทันที่จะเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองอันนี้นีิถาเรื่องนี้นี่เขาก็สอนดีนะให้ให้รู้จักมองทั้งข้างนอกและข้างในคือถ้าเป็นเรื่องของประโยชน์แล้วเนี่ยก็ให้มองเห็นประโยชน์ของผู้อื่นด้วยให้นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วย แต่เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นอย่างเดียวให้ย้อนกลับมาดูตัว เ, เราเองด้วยนะคนส่วนใหญ่โันข้ามนะคือเวลานึกถึงประโยชน์เนี่ยก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองไม่นึกถึงประโยชน์ของคนอื่นเท่าไหร่นะแต่เวลามีความผิดพลาดขึ้นมาก็เพ่งโทษหรือว่ายนความผิดไปที่ข้างนอ ก, นอกเห็นแต่ความผิดของคนอื่นแต่ไม่เห็นความผิด ความพลาดของตัวเองอันนี้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่านะคนคนดีคนมีธรรมะนี่กลับกันนะจะไม่ได้มองแต่ประโยชน์ของตัวแต่เห็นประโยชน์ของคนอื่นด้วยแต่เวลามีปัญหาก็จะไม่ใช่เห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นแต่ว่าย้อนกลับมาดูตัวเองนะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคุณธรรม นะพื้นฐานของมนุษย์เลยเป็นพื้นฐานของอ ข, ของคนดีแต่มันไม่ใช่แค่ว่าทำให้เราเนี่ยเอเื้อเฟื้อเกือเก้อกูลคนอื่นอย่างเดียวนะนการที่เราหันมามองตนหรือว่าหัดหันมาดูตนอยู่เสมอเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราเองด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะทุกข์เนี่ยมันก็เพราะ ใจของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นสําคัญเลยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกันนะในช่วงอบรมไปแล้ววา่าความทุกคนเราเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยสองอย่างคือเหตุปจัปจปจัยภายนอกกับเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายนอกก็หมายถึง เ, เหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพ ส, สมบัติของเราบ้างเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราบ้างาเกี่ยวข้องกับงานการของเราบ้างหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือความสัมพันธ์เช่นเงินหายรถเสียเยจ็บป่ว ย, ย, ยงานการไม่ประสบความสําเร็ จ, เ, รจเกิดความผิดพลาดขึ้นมา หรือว่าถูกคนตำหนินะคนเขาไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะเอาเปรียบเราอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเป็นประจำแต่ว่าลาพังสี่อย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้คนเราเป็นทุกข์ได้ตราบใดที่ถ้าใจเราเนี่ยไม่ไปเอออหรือเปิดช่องให้ความทุกข์มันเข้ามาในใจ มีคนหลายคนที่แม้จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแต่เขาก็ไม่มีความทุกข์เขาก็ยังยิ้มได้แม้เขาจะเจ็บเขาจะป่วยเขาก็ไม่ร้อนใจอะไรนะหรือว่าถูกตำหนิเขาก็ยังยิ้มได้งานการไม่สำเร็จนะเขาก็ยังกินได้นอนหลับดีอันนี้ เพราะอะไรก็เพราะว่าใจเขาเนี่ยนะเป็นใจที่มีคุณภาพเป็นใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาเพราะฉะนั้นเหตุร้ายต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายงานการกับคนรักเหตุร้ายเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาทําให้จิตใจกระทบกระเทือนหรือเป็นทุกข์ได้ อันนี้เรียกว่าปัจจัยภายในใจนี่คือปัจจัยภายในแห่งสุขหรือทุกข์และเป็นตัวสำคัญมากสิ่งภายนอกนี่เป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือใจของเราจจก็คือตัวเรานั่นเองเอ่ะพูดง่ายๆพราตจจารชนเปรียบเทียบเอาไว้น่าสนใจท่านบอกว่ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยสามารถจับต้องยาพิษได้โดยไม่เป็นอะไรยาพิษก็ไม่สามารถจะ ทำอันตรายแก่เจ้าตัวได้แต่ถ้าเกิดว่ามือมีแผลเมื่อไหร่เนี่ยพอไปจับต้องยาพิษเข้าก็เกิดอันตรายขึ้นอันนี้ท่านก็ต้องการชี้ว่าถึงแม้ยาพิษอันตรายเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ถ้าเกิดว่ามือเราเป็นปกตินะมือก็คือปัจจัยภายในนะยาพิษก็คือปัจจัยภายนอกยาพิษนี่ไม่สามารถจะทําให้เราเจ็บป่วย หรือว่าเดือดร้อนได้นันถ้ามือเราเรียบร้อยดีมือในที่นั่นก็เป็นอุปมาอุปไมยก็คือจิตใจนั่นเองจิตใจถ้าเราไม่ไม่มีจิตใจถ้าจิตใจเราไม่มีแผลไม่มีจุดอ่อนหรือว่าไม่วิบัตินะไม่วิปลิตนะนะให้ความทุกข์ต่างๆที่อยู่ภายนอกเหตุไร้ต่างๆที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองสุขภาพร่างกายงานการความสัมพันธ์นี่มันก็ ไม่สามารถจะทำความพุกให้กับเราได้นะถ้าคนเรามักจะมองข้ามจิตใจมองข้ามว่าใจของเรานี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความทุกข์อย่างไรบ้างก็ไปโทษภายนอกแล้วก็ไปหวังว่าถ้าสิ่งภายนอกงานการสำเร็จมีทรัพย์สินเงินทองมีสุขภาพร่างกายดีรูปร่างสุดทรง飒สวยหรือว่ามีผู้คนที่รู้ใจเราเร า, เราจะมีความสุข คิดนอย่างนั้นก็เลยเวลาไปทําบุญก็ขอพรก็ขอให้ร่ารวยขอให้งานการสาเร็จนะนะขอให้มีคนรักเยอะๆขอให้มีแต่คําชมคําสรรเสริญน่นะเราก็เอาแต่ขอพรแบบนี้แหละแล้วคิดว่าถ้าเราสมมติว่าพรเหล่านั้นสาเร็จจริงเราจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเอาคนที่ร่ำรวยก็มีความทุกข์เยอะ แม้ได้โชคได้ลามาก็ยังทุกข์นะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อวานขายหุ้นได้กําไรสิบล้านบาทก็ยังทุกข์เลยนะทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ า, า, วาถ้าขายหุ้นวันนี้ก็จะได้กําไรยี่สิบล้านดันไปขายล่วงหน้าขายก่อน 10, สิบเมื่อสองสาวันก่อนได้กําไรสิบล้านมาเสียใจที่ถ้าขายวันนี้ก็ได้แล้วยี่สิบล้าน ไอ้สิบล้านบาทที่ได้มาเมื่อสองสามวันก่อนไม่ทำให้มีความสุขเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าใจที่มันอยากได้มากใจที่ไม่รู้จักพอฉันน่าจะได้มากกว่านี้ฉั น, นได้โชคได้ลาบมาก็ไม่ทำให้มีความสุขถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นใจสำคัญมากแต่ถึงแม้จะเสียโชคเสียลาบไปประสบเคราะห์ก็ยังยิ้มได้อันนี้ก็เพราะใจเหมือนกันเพราะนันจริงๆแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไรหรือเรารู้สึกสิ่ง น, นั้นอย่างไรอันนี้สําคัญกว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าวางใจไม่เป็ น, นก็ทุกข์แต่ว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราถ้าวางใจให้เป็นก็อย่างน้อยก็ปกติได้คือไม่ทุกข์หรืออาจจะยิ้มได้เดยซ้ํานะอันนี้ตรงนี้นี่ข้อนี้ใจมันจะ จะทำไงถึงจะไม่เปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาได้นะก็ต้องมีความรู้ตัวนะต้องมีสตินั่นเองนะเพราะถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเผลอพอเผลอ เ, เข้ามันก็เหมือนกับคนเฝ้าประตูนะนคนเฝ้าบ้านหรือว่านายทวารที่เฝ้าเมืองพอเผลอเข้าศัตรูก็เข้ามาในเมืองก่อวินาศกรรมสร้างความเดือดร้อนได้พระพุจาเปรียบสติเหมือนกับ คนเฝ้าบ้านหรือว่ายามเฝ้าเมืองนะคือถ้าทาหน้าที่ตื่นตัวตลอดเวลาไม่หลับนะไม่เผลอก็ไม่รวมทั้งไม่ไม่ถูกซื้อด้วยหรือว่าไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสินจ้างก็ไม่สามารถที่จะผู้ร้ายก็ไม่สามารถจะเข้ามาได้ ที่ประเทศอินเดียนี่มันมีมันมีเมืองมเมืองหนึ่งนะสร้างพระสร้างป้อมนี่แข็งแรงมากอยู่บนเขาเขานี่ก็เขาสูงเวลาเดินทางจากเมืองปูนานี่ไปไ ป, ไปถรำอชันตานเนี่ยจะผ่านจะผ่านเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเห็นแต่ไกลแล้วก็ป้อมที่สร้างนี้ก็แน่นหนามาก มันเป็นการยากมากนะที่ศัตรูนี่จะเข้ามายึดเมืองนี้ได้เพราะว่าไหนจะต้องปีนเขาปีนเขาแล้วก็ยังเป็นจุดที่สามารถจะถูกศัตรูเนี่ยหรือว่าผู้รักษามเมืองเนี่ยยิงหรือว่าทำล้ายได้และแถมไปถึงกาแพงแล้วนี่ก็ไม่รู้จะเข้าไปยังไงเพราะว่าเขามีการสร้าง กำแพงว่แน่นหนาแล้วก็ทางเข้าทางออกนี่ก็ซับซ้อนมากนะแต่ว่าในที่สุดนะศัตรูก็สามารถจะเข้าไปยึดปอบยึดเมืองได้เขาไม่ได้ทําลายกําแพงนะกําแพงก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ที่เขาทำเขาสามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขาเขาซื้อนะเขาซื้อคนเฝ้าเฝ้าประตู คนเหล่านั้นก็เห็นแกอ น, นิยมิสินจา้างพอได้พอมีคนมายื่นเงินยื่นทองให้ก็ยอมเปิดประตูนะยอมบอกทางให้เข้าไปเรียกว่าไม่ต้องเสียรีษพนอะไรก็สามารถยึดเมืองได้เท่านั้นเองนะงันะ้นคนเฝ้าประตูเนี่ยหรือว่าคนเฝ้าทางเนี่ยเพราะทุกเมืองก็ต้องมีทางเข้าทางออกอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นความลับแค่ไหน แต่ถ้าเกิดว่าคนเฝ้าทางคนเฝ้าประตูนี่เขาไม่ร่วมมือด้วยเขามีความโลภนะสัตว์ตัก็เข้ามาข้างในได้จิตใจเราก็เหมือนกันบางทีใจเรามันเห็นแก่ความโลภนะก็คือสติอ่อนแอนั่นเองก็ทําให้ความทุกข์เข้ามาในจิตใจได้หรือบางทีก็เผลอเผลอลืมตัวเข้าก็ทําให้ความทุกข์เข้ามาในจิตใจเช่ความทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์นะ ความโกรธนะความเศร้าความเบื่ อ, ค ว, อความน้อยเนื้อต่าใจมันเข้ามาแล้วเป็นยังไงมันก็ก่อกวนแลน้วคราวนี้ใจที่ใจที่มีแผลคือใจที่เปิดช่องให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาก่อกวนจิตใจไดนะ้แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันก็ไม่เปิดช่องให้เข้ามาตั้งแต่แรกหรือว่าถ้าเข้ามาแล้ ว, ลวก็ยังเป็นโอกาสที่ยังจัดการกับ สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นได้เช่นเราโกรธเนี่ยเราโกรธแล้วก็เรารู้ทันความโกรธนะพอเรารู้ทันเนี่ยมันก็มันก็สงบลงได้นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะจะรู้ทันเองเนี่ยไม่ค่อยได้ต้องมีคนเตือนต้องมีคนเตือนต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเขาเรียก กเรยนนามิตรหรือว่าปรตโคโะปรโตโคสะก็หมายถึงเสียงภายนอกที่คอยเตือนนะคนที่ลุ่มหลงมัวเมาในสุลานารีพอมีคนพอมีเพื่อนมาเตือนก็รู้ตัวนะเปลี่ยนหันมาหันมาหันมาใช้ช่วยอย่างถูกต้องได้หรือคนบางคนที่เศร้าโศกเสียใจ นะเป็นพร่อโอกหักก็ดีเพราะสูญเสียคนรักก็ดีแต่พอมอีมีเพื่อนมาเตือนมีเพื่อนมาพูดเขาก็ได้สติขึ้นมาก็ปล่อยวางอารมณ์หรือหลุจักอารมณ์นั้นได้บางทีก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่เขาหวังดีมีมีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะว่าอ พ่พูดถึงโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะที่กรุงเทพโรงเรียนนี้นี่มีชื่อมากแล้วก็มี เ, เรียกว่าคนมีฐานะก็ส่งลูกเขานี่มาเรียนโรงเรียนนี้กันมากมายปัญหาหนึ่งก็ที่เกิดขึ้นก็คือเวลาตอนเย็นเนี่ยเวลาเลิกเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะมารับลูกก็จะเกิดปัญหาคือว่ารถแน่นนะไม่มีที่จอดรถ การแย่งที่จอดรถนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากนะของพ่อแม่ทางโรงเรียนก็พยายามวางระเบียบนะก็คือว่าให้โรงเรียนเนี่ยให้พ่อแม่นี่ขับรถวันเวรนะมันจะได้จราจรถ่ายสะดวกแล้วก็ทำให้การการหาการหาที่จอดรถเนี่ยมันไม่เกิดความจราจนแต่ปรากฏว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งก็ไม่อยากจ ะ, ะไม่อยากจะรอ รอคิวก็ละเมิดกฎนะอาศัยเลนของอีกอาศัยเลนที่ว่างเนี่ยซึ่งเป็นเลนขาขาออกเนี่ยก็ขับรถแซงเข้าไปแล้วก็ไปได้ที่จอดรถซึ่งเหลือแค่ที่เดียวพอได้ที่จอดรถลงมารถอีกคันหนึ่งเขาก็ซึ่งเกือบจะได้ที่จอดรถแล้วพอเขาไม่ได้เพราะเขาถูกผู้ชายคนเนี้นะ ละเมิเกดก ฎ, กฎจราจรสอนนั้นมาแย่งที่ <van> ก็ลงไปต่อว่าลงไปต่อว่าผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนที่ทแย่งที่จอดรถ <teh> ผู้ชายคนนั้นนี่ก็กโกรธแล้วเขาก็เลยพูดกับคนที่มาต่อว่าว่าคุณไม่รู้หรือว่าผมเป็นใครผู้ชายนะครับว่าผมไม่สนใจนว่าคุณเป็นใครแต่คุณทําผิดกฎ ก็ว่าเขาเพราะว่าเสร็จก็หันหลังจะกลับไปที่รถของตัวผู้ชายคนนั้นนี่แกเป็นทหารนะทหารยศในพันหรือในพลจําไม่ได้ก็โกรธมากก็ไปคว้าปืนมาคว้าปืนในรถแล้วก็ออกมาเดินตามผู้ชายคนที่ต่อว่าเพื่อที่จะเอาปืนนั้นยิง้นโกรธมากเพราะว่าเป็นทหารนี่ไม่เคยมีใครมาต่อว่าอย่างนี้ เพลินข้างๆเนี่ยมีใกล้ๆเนี่ยมีคนขับรถของโรงเรียนเนี่ยแกเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าการศึกษาจะน้อยแต่เป็นคนที่มีปฏิภาณแล้วก็มีความมีความมีความตั้งใจดีมีความรับผิดชอบงานเสียสละแกเห็นทหารคนนี้นี่กำลังจะถือปืนเดินไปยิงนะผู้ชายคนหนึ่งแกก็ ทำตัวเป็พลเมืองดีทันทีเลยรีบเดินเข้าไปถ้าถ้าเป็นเราเนี่ถ้าเราจะไปห้ามเราจะไปห้ามอย่างไรนะคนกาลังโกรธกรมีปืนอยู่ในมือด้วยผู้ชายคนนี้นะก็เข้าไปจับมือจับมือที่ถือปืนนะแต่แทนที่จะห้ามบอกว่าพี่อย่าทำอย่าทํเขาก็บอกว่าท่านจะมารับรูปไม่ใช่หรือครับ พอพูดถึงลูกขึ้นมาว่าจะมารับลูกหรือครับนี่ผู้ชายคนนี้ทหารคนนี้ได้สติเลยนะความโกรดนี่หายไปเลยคือตอนที่ยิงเนี่ยไม่ได้นึกอะไรทั้งสิ้นแล้วกูจะยิงมึงอย่างเดียวมึงนะด่ากูนะมันมีแต่ตัวโกรธคล่องงับจิตใจแต่พอมีคนมามาทวงว่ามารับลูกไม่ใช่หรือครับนึกถึงลูกขึ้นมาทันทีเลย ให้ความรู้สึกนึกถึงลูกเนี่ยมันทําให้ได้ได้ เ, เกิดความยับยั้งชั่งใจเพราะถ้าไปยิงเขานี่ลูกก็เดือดร้อนบางทีถ้าตัวเองไม่ติดคุกก็ต้องหนีนะลูกก็เสี ย, เ, สยเดือดร้อนบางทีก็อาจจะถูกเพื่อนต่อว่าว่าพ่อฆ่าฆ่าคนในโรงเรียนคงคิดแบบเนี้ยนะก็เลยทําให้ให้ความโกรธนี่มันวูบลงไปเลยนะ ยังหยุดได้เลยพอได้สติก็เลยเปลี่ยนใจนะกลับไปที่รถเอาปืนเก็บแล้วก็ไปรับลูกนะเนี่ยความโกรธเนี่ยมันหายวูบเลยนะไม่ใช่เพ่อไปกดข่มนะไม่ใช่เพ่อไปห้ามมันแต่เพราะว่าได้สติสติในที่นี้เนี่ยทำให้เกิดปัญญาตามมาว่า เห็นโทษของการที่ตัวเองเนี่ยจะบูมบามบู้วามหรือทำร้ายคนอื่นไอ้สติมันมีพลังมากมีพลังมากสามารถทําให้ความโกรธเนี่ยมันวูบหายไปได้นะมันไม่ใช่แค่ความโกรธเดียวความเศร้าวความโศกความเนืน้อต่าใจเนี่ยถ้าว่าสติทํางานนะมันหลุดเลยนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะมีสติได้ด้วยตัวเองเพราะว่าอารมณ์มันแรงมาก ก็ต้องอาศัยคนอาศัยตัวช่วยนะคนภายนอกเขามาคอยช่วยเตือนช่วยบอกแต่ถ้าเตือนไม่เป็นนะนก็โนะกรธ น, ะนะเช่นถ้ามีใครมาห้ามว่าอย่าทําอย่าทํายิ่งขัดใจยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่บางทีเอาปืนยิงพลเมืองดีตายก็เห็นบ่อยไปนะอันนี้เพราะว่าความโกรธนี่มันต้องหาทางระบายยิ่งกังโกรลแล้วมีใครมาขัดอก ข, ขัดใจก็ยิ่ง เปลี่ยนจุดที่จะระบายความโกรธแทนที่จะไปยิงนะคนที่มาต่อว่าตัวเองก็อาจจะมายิงคนที่ห้ามตัวเองก็ได้แต่คนเรานี่จะรอให้มีตัวช่วยมันไม่พอนะจะรอให้มีตัวช่วยนี่บางทีก็ไม่ทันการเราต้องรู้จักสร้างสติขึ้นมาเองทุกคนก็มีสติอยู่ในอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยอใจใสเมือนกัต้นไม้ที่ มันไม่ค่อยได้รับการดูแลไม่ค่อยได้รับการลดน้ำพรนดินเท่าไหร่เรายังเป็นต้องสร้างสติขึ้นมานะสตินี่มันทำให้เรารู้ตัวเป็นความรู้ตัวในระดับที่ลึกนะคือรู้ตัวรู้อารมณ์ไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่เห็นหน้าตาตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองนี่เป็นใครนะเวลาเรามองกระจกแล้วเรารู้ว่าเงาในกระจกนั่นคือตัวเรานะั่นแหละอันนี้เราเรีย ก, กาเรีย ก, กว่ารู้ตัว แต่สัตว์หลายชนิดก็มีความรู้ตัวแบบนี้นะเช่นช้างหรือว่าลิงบางชนิดเนี่ยเอากระจกมาให้มาให้มันดูกระจกใหญ่ๆเนี่ยนะพอมันเห็นเงาในกระจกมันก็รู้แล้วว่านั่นตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอื่นแต่ว่าสัตว์บางชนิดสัตว์หลายชนิดไม่รู้นะพอเห็นเงาในกระจกก็นึกว่าเป็นศัตรูเป็นคนแปลกหน้าก็จะเล่นงานกระจกก็มีนะแต่ว่า สัตว์พวกช้างพว ก, พวกลิงพวกโลมาพวกนี้เขารู้แต่นั่นเป็นการรู้ตัวแบบหยับๆยาบคือรู้รู้หน้าขาตานะมันต้องรู้ตัวลึกไปกว่า น, นั้นเราสังเกต ด, ดูนะเวลาเราเวลามืดมืดเนี่ยนะมืดมดืแล้วเร า, เ, าเราจะเอาเราจะกินน้ำเนี่ยสมมุติว่าเราตักเราลินน้ำใส่แก้วเนี่ย แม้ในม่มืดเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินน้ำได้สามารถที่ยกแก้วแล้วก็ใส่ลิ่นน้ำไปที่ปากได้โดยที่ไม่เห็นเลยเราก็ทำได้หรือเรามีแว่นอยู่ในมือแม้จะเป็นที่มืดเนี่ยเราก็สามารถจะเอาแว่นเนี่ยมามาใส่ได้โดยที่เราไม่เห็นเลยอันนี้นก็คือความรู้ตัวนะเป็นความรู้ตัวเดียวที่ไม่ต้องใช้ตาเนื้อ เราสามารถที่จ ะ, ะใส่แว่นสวมเสื้อในที่มืดได้หรือว่าทำอะไรในที่มืดได้เหมือนก็ามันมีแผนที่อ ย, อยู่ในอยู่ในอยู่ในใจเราที่รู้ว่ามืออยู่ไหนตาอยู่ไหนปากอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือความรู้ตัวอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่ารู้ตัวที่ลึกไปกนคือว่าสามารถที่จะเห็นอารมณ์ของตัวเองได้นะ ไม่ใช่แค่รู้ว่ามืออยู่ตรงไหนไม่ใช่แค่รู้ว่าเท้าอยู่ตรงไหนนะแม้ในที่มือก็ตามแต่ว่าเราสามารถจะเห็นลึกไปกว่านนะั้นคือเห็นอารมณ์ได้นั่นคือความรู้ตัวคือรู้อารมณ์แล้วว่ามันไม่ใช่แค่รู้เวลาตั้งใจนะแม้ในยามที่ไม่ตั้งใจเนี่ยก็สามารถจะรู้ทันได้หรือรู้ทันท่วงทีได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสตินะถ้าสติไวนะสติปราดเปรียวสติฉับไวเนี่ย มันเกิดขึ้นก็รู้และรู้แล้วนี่ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทําตามอารมณ์ได้ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของของอารมณ์คนเราถ้าตกอยู่ใต้อํานาจของอารมณ์แล้วเนี่ยมันมีความทุกข์นะแล้วก็สามารถเบียดเบียนคนอื่นได้ง่ายหรือว่าำทําทําสิ่งที่น่าหัวเราะ ก, ก็บ่อยไปที่เรามักจะดิ้นคําว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอนะเราคงเคยได้ยินสำนวนนี้ ไม่รู้รุ่นใหม่รู้จักสำนวนนี้หรือเปล่าว่าแต่เขาอีนเหล่าเป็นเองเช่นว่าคนนู้นคนนี้เจอแล้วตัวเองทําเองเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นพราะไม่มีสตินะเช่นเห็นคนอื่นเนี่ยเห็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยชอบดินทาชอบดินทาตัวเองก็ถูกเขาดินทาด้วยก็ไม่พอใจพอไม่พอใจทาําไงเวลาเจอเพื่อนก็ จะพูดว่าคนนี้นิสัยไม่ดียังไงบ้างคนนี้ชอบนินทาเวลามีเพื่อนลงงานคนใหม่มาก็จะเรียกเข้าไปหาแล้วบอกว่าเนี่ยยายคนนี้ชอบนินทานะใครมาเจอใครก็เล่าพูดว่ายายคนนี้ชอบนินทาไปประมาณตัวเองเนี่ย <S <S ก็กลายเป็นคนดินทาซะเองไปว่าเขาว่าชอบดินทาแต่ลืมมองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยก็เผลอไปนินทาคนนั้นเหมือนกันนะเราอาจจะเคยเป็นอย่างนี้อยู่บ้างนะ อันนี้เพราะว่าความไม่รู้ตัวไปเห็นแต่ว่าเขาดินทาแต่ว่าไม่เห็นตัวเองว่าตัวเอ ง, เองเนี่ก็กำลังทำอย่างเดียวกันอันนี้เพราะอะไรก็เพราะวาความความโกรธหรือว่าความต้องการตอบโต้นะมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอย่างคนเหนือเขาเหมือนกันนะนี่ถ้าอาจารพุทธาท่านเาว่ามีสวนโมกสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะก็มีญาติโยมมาเยอะแต่ก็มีคนภายนอกมาด้วย หมู่บ้านข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมามาที่วัดก็เพื่อที่จะมาหาหน่อไม้ก็เหมือนกับที่นเนี่นะพอถึงฤดูการาก็จะมีคนมาหาหน่อไม้แล้วก็พอพอมีคนมาหาหน่อไม้มากเข้าเนี่ยพอหน่อไม้นี่มันยังไม่ทันจะมันยังไม่ทันจะได้ที่เลยก็ชาวบ้านก็ตัดแล้วตัดเพราะว่าถ้าไม่ ต, ตัดเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะมามาตัดนะ แม่ชีก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าบางทีก็อยากได้หน่อไม้ไปทำครัวในวัดหน่อไม้ไม่ทันได้ที่ก็อา้าวตัดหายไปสลดแม่ชีแม่ชีก็บอกพระให้ช่วยไปบอกชาวบ้านว่าให้หน่อไม้มันขึ้นได้ที่ก่อนค่อยตัดก็ไม่ค่อยมีคนสนใจมันขึ้นมานิดหน่อยก็ตัดแล้วแม่ชีก็ไม่พอใจวันหนึ่งเนี่ยแม่ชีก็ไปหาหน่อไม้เห็นหน่อไม้นี่มันยัง เพิ่งขึ้นนะยังไม่ทันได้ที่เลยพอไปนึกถึงชาวบ้านว่าเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะมาตัดก็ไม่พอใจแม่ชีทาําำไนแม่ชีตัดเองเลยนะตัดเองเลยเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาตัดนะหรือว่าต้องการแก้แค้นเขาก็ได้ต้องการตอบโต้อันนี้ก็เรียกว่วาแต่เขาอินทร์เป็นเองนะก็คือว่าบอกคนอื่นว่าอย่าตัดอย่าตัดแต่ตัวเองก็ตัดเองไม่ใช่เพราะความโลภ นะไม่ใช่พราความโกรธแบบชาวบ้านแต่เพราะว่าต้องการที่จะอตอบโต้ชาวบ้านนะในเมื่อห้ามไม่ได้ผลก็มึงก็อย่าได้ไปเลยนะก็ตัดไปเลยอันนี้เรียกว่าเพราะความเพราะความความโกรธต้องการตอบโต้ต้องการแก้แค่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคนเราก็เป็นอย่างนี้เสียเยอะนะเพราะว่าไอ้ความไม่รู้ตัวมันก็เลย เราไม่ชอบให้คนอื่นทําอย่างนี้แต่เราก็กลับทําเองอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยพอแม่ชีตัดหน่อไม้นั่นภายในป่าก็หัวเราะย่อแม่ชีทันที <c oughs> หัวเราะย่ะแม่ชีว่าว่าแต่เขาอินเอาเป็นเอง <c oughs> เนี่เราก็ระวังนะอย่าเป็นอย่างนั้นบ้างอันนี้เพราะความไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้ตัวแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถครองตนได้ดีนอกจากจะนอกจากจะไม่ไปสร้างความตือนร้อนให้ใครแล้วคิดถึงแต่ประโยชน์ของผู้อื่นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถรักษาประโยชน์ตนได้ประโยชน์ตนก็รักษาได้ประโยชน์ท่านก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้ชาวนี้น ะ, ะก็พอสมกับเวลาอากลับพร้อมกัน